เ, เมื่อทาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพว่อก็คงจะได้กล่าวปารบเรื่องวันเฉลิมวันนี้นะให้กับคณะัทธาญาติโยมได้ฟัง เ, เพื่อประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ต่อนี้ไปก็ให้พวกเราสมาทานศีล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 ข้าพเจ้าไปทำความชั่วมาแล้วขอให้ท่านได้รับส่วนแบ่งจากข้าพเจ้าดนะ้วใครได้ยินก็ขยะหลบนี้ไปคนละแห่งหละหนแต่ถ้าว่าข้าพเจ้าไปสร้างคุณงามความดีมานะ่ประกอบคุณงามความดีขอให้ท่านมีส่วนรับรับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าที่ไดไ้ไปทำคุณงามความดีมาพวกเราได้ยินก็นอนุโมทนาสาธุสาธุพร้อมๆกัน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 พวกเรานั่งอยู่ด้วยกันมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดเมื่อพ่อให้กำเนิดพวกเราเกิดมาแล้วมองไม่เห็นไขอันดับแรกก็มองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนพอเราเป็นเด็กเกิดขึ้นมาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาถึงจะเห็นส่วนอื่นก็เถอะก็ไม่สำคัญเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นะสาคัญกว่าเห็นไขรอื่นในเมื่อเรามองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่นวะ่า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 หรือใส่ใจเอาไว้อันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวตรัสเอาไว้ตั้งแต่ยุคสมัยโนูน้นเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทายญาติโยมลูกหลานทุกคนถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติหลวงพ่อจึงได้ปารภคําว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็ไม่ใช่มีแต่พ่อ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 ถ้าคิดชั่วการกระทาก็ชั่วการพูดก็ชั่วมันไปตามที่แนวความคิดเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงเน้นเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนพวกเรานี่พระพุทธเจ้าที่ก่อนหน้านั้นท่านก็ยังไม่ได้เมื่อท่านยังไม่ได้ตดรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ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 แต่นี้พระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์่ไปอยู่ตามลําพังเออไปอยู่ประพฤติประพฤติตนเหมือนเป็นคนขอทานนเอไปขอข้าวชาวบ้านมาทานเป็นถ้าเชา้าเช้าพอทานเสร็จแล้วกมานั่งคน้นค้นคิดหาเรื่องต่างๆที่จะทํำยังไงถึงจะอตัดรู้พ้นทุกเเอคล้ายๆว่าเออถ้าจะเปรียบเทียบกับพวกเราก็เหมือนกับไป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 นิพพานังประมังสูญอย่างสูญใจของพระองค์พระไทยของพระองค์สูญจากเชื้อคืออาสวะกิเลสโรคโกรธหลงแกดิใจบริสุทธิ์ท่านจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนี่แหละขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนเน่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเลี้ยงร่างกายล้วก็ไม่ว่ากันหา ส, สวสหาทรัพย์ก็ไม่ว่ากัน